ที่จรพูดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐจริงคำพูดแค่นี้ยังไม่ครบถ้วนนะยังไม่ถูกต้องมนุษย์เราจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้กระเพาะมีการฝึกฝนนะคือถ้าไม่ฝึกฝนก็จะเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ได้เพราะว่าอาจจะก่อความเดือดร้อนความทุกข์ยาก เรืองที่เรียกว่าเป็นก่อความชิบหายให้กับผู้คนมากมายก็ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะโดยธรรมชาติก็ีนะ่มีขอใช้คาว่าปัญญาก่อนนะก็คือมีความฉลาดก็แล้วกันนะฉลาดถ้าความฉลาดของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีการฝึกฝนมันก็เป็นการฉลาดในทางเวลวร้ายนะ ภาษาบาลีมันมีคำสำหรับคำว่าฉลาดในทางที่ไม่ดีเนี่ยคือเฉโกนะฉลาดแบบเฉโกเนีายคนเราเนี่ยนะจะได้ช่วยเป็นสัตว์ประเสริฐได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกก่อนไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ประเสริฐเดออตโตนมัติฝึกในที่นี้ไม่จาเป็นต้องเข้าโรงเรียนก็ได้นะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นของที่เพิ่งมีมาเมื่อ ร้อยหรื อ, อยังมาก200ปีมานี้เองเมืองไทยเนี่ยก็รู้จักคาว่าโรงเรียนก็สมัยรัชกาลที่5ก่อนนั้นเราไม่มีโรงเรียนนะตอนที่คําว่าหรือนิดเรื่องโรงเรียนมาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่5าเนี่ยยังหาคำไม่ได้เลยท่านใช้คาว่าโรงสกูลนะหาคำแปลไม่ได้รัชกาลที่5เนี่ยท่านใช้คำว่าโนะรงสกูลก็ ค, คือ โรงเรียนนะ่ยอย่างที่เราเข้าใจการฝึกฝนนี่มันไม่จะเป็นต้องหมายถึงการเข้าโรงเรียนเรียนในห้องเรียนนะแต่มันหมายถึงการฝึกฝนนะเริ่มต้นตั้งแต่พฤติกรรมนะพฤติกรรมนะฝึกฝนพฤติกรรมนะไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะซึ่งทางธรรมะเราเรียกว่าศีลศนะีลเนี่ยนะศีลห้านี่เป็นเรื่องของพฤติกรรมโดยเพราะ พฤติกรรมในทางที่ไม่ไปเบียดเบียนใครอันนี้เป็นเรื่องของศีลห้าโดยตรงส่วนศีลแปดก็เป็นเรื่องที่ละเอียดกว่า น, นั้นนะก็คือว่าฝึกให้เราอยู่ง่ายนะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายงดอาหารในเวลาวิการไม่ประดับประดาด้วยเครื่องหอมไม่ละเล่นหรือไม่เพลินกับความบันเทิงเรืองรม การฟ้อนรำนะไอ้พวกนี้มันเป็นส่วนเกินอาจจะเป็นสีสันของชีวิตแต่ไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีก็ทำาให้ช่เราเรียบง่ายมาขึ้นลมทั้งการไม่นอนในที่นอนอันสูงใหญ่ลมทังการที่ไม่คล่องแวกกับในเรื่องการเสร็จเมทุนนะอรรมจริยาเนี่ยอันนี้เนี่ยีแปลกก็เป็นเรื่องของการจะเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนก็ได้ พอถ้าเราอยู่แบบไม่เรียบง่ายพึ่งพาวัตถุหรือว่ายึดติดในวัตถุเราก็จะกลายเป็นท่าของวัตถุเป็นท่าของกามซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยรุ่มร้อนนะหาความสุขหาความโปร่งเบาในจิตใจได้ยากแต่ว่าพฤติกรรมขั้นพื้นฐานก็อย่างที่ว่านะคือสีนะ่ห้า ในการฝึกฝนเนี่ยเราไม่ได้ฝึกฝนเฉพาะพฤติกรรมนะยังต้องฝึกฝนลึกไปกว่า น, นั้นนะซึ่งสำคัญมากเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมหรือการกระทำก็คือฝึกเรื่องจิตใจจิตใจคนรามันก็มันก็มีสองส่วนนะถ้าพูดไปส่วนนึงก็เป็นเราใช้คาอุปมาว่าเรียกว่าสมองเป็นเรื่องการคิด การใช้เหตุผลเป็นเรื่องความเห็นความเชื่อนะอันนี้ก็ต้องฝึกนะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของหัวใจนะหมายถึงอารมณ์สมองกับหัวใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่อยู่เรียกว่าด้านในนะส่งผลออกมาเป็นการกระทำเป็นคำพูดนะคนที่มีเหตุมีผลนะ สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาพูดไปนะมันก็มีเหตุมีผลไปด้วยหรือว่าถ้าคนนะ่มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาการกระทาของเขาก็าออกมาเป็นความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแต่ถ้าเ็เป็นคนที่เป็นคนมักโกรธก็ทำให้คำพูดเนะี่ยมีแต่พูดร้ายแล้วก็ทำร้ายด้วย การฝึกขั้นพื้นฐานนะในพุทธศาสนานี่ก็ฝึก3อย่างนี่แหละคือ1ฝึกพฤติกรรมเราเรียกว่าศีลสองฝึกเรื่องของอการใช้ความคิดนะการใช้เหตุผลรวมถึงฝึกให้มีความรู้ความเข้าใจนะที่ลึกซึ้งโดยพอเกี่ยวความจริงของชีวิตเนี่ยเราเรียกว่าปัญญานะถ้าฝึกเรื่องของอารมณ์ เช่นให้มีความอดทนนะมีเมตตากรุณาอันนี้เลยว่าด้านสมาธินะศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้พูดถึงเรื่องของสมองกับหัวใจเนี่ยนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะสมองนี่อย่างที่บอกเวลานะมันเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลการใช้ความคิด อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะเราเรียนในโรงเรียนก็เพื่อที่เราจะได้มีความรู้แล้วก็มีเหตุมีผลนะรู้จักคิดรู้จักใจ ต, ตรองด้วยเหตุด้วยผลนะเพราะมันช่วยทาให้เราเนี่ยไม่หลงงมงายใครพูดอะไรมาก็ไม่ใช่เชื่อทันทีนะใช้เหตุใช้ผลพิจารณาก่อนนะอันเนี้ยนะเหตุผลมันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่งม ง, ง, งาย เดี๋ยวนี้ข่าวลือมันเยอะมากนะแล้วก็ล่อลวงให้เราหลงเชื่อได้ง่ายนะบางทีก็ล่อลวงให้เรานะไปลงทุนนะแชร์ลูกโซนะ่บอกว่าจะมีรายได้งามนะเราก็ใช้เหตุผลพิจารณามีข้อมูลประกอบนะถ้าใช้เหตุผลเนี่ยมันก็ไม่หลงเชื่อนะ แต่บางครั้งนี่ย เ, เพราะความโลภนะความโลภนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ความโลภเนี่ยมันบดบังสติปัญญาก็ทำให้หลงเชื่อนะความกลัวก็ทำให้เราหลงงมงายได้นะหลงงมงายนะกลัวเทวดากลัวผีสางนางไมนะ้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลงั้นถ้าเรารู้จักใช้เหตุใช้ผลเนี่ยมันก็ช่วย ช่วยทำให้ไม่หลงคล้อยตามอารมณ์นะซึ่งเป็นส่วนของเราเรียกว่าหัวใจนะเราต้องพัฒนานะสมองของเรานะให้มีปัญญามีเหตุมีผลรู้จักคิดรู้จักไตรตรองแต่ว่าเท่านี้ไม่พอนะมันต้องพัฒนาอารมณ์ด้วยเราเรียกวพัฒนาหัวใจของเรา นะให้เป็นหัวใจที่แข็งแกร่งคือมีความอดทนแต่ขณะเดียวกันก็อ่อนโยนคือมีความเมตตากรุณารวมทั้งมีสติด้วยนะสตินี่ถือว่าเป็นเรื่องของอ า, อารมณ์นะเป็นเรื่องของใจมันช่วยกํากับไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่านนะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันคิดฟุ้งซ่านนะถ้าเราไม่มีสติ ไอเหตุผลที่เราใช้มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สนองกิเลส ก, ก็ได้นะคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้เหตุผลแล้วเนี่ยมันจะดีเสมอไปบางทีกิเลสมันก็มีเหตุมีผลนะหลอกล่อให้เราหลงเหมือนกันนะคนที่เล่นการพนันติดการพนันติดอบปยามุขผู้นี้เนี่ยเขาก็มีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลคนที่คอร์รัปชั่น เขาก็มีเหตุมีผลแต่มาเป็นเหตุผลที่สนองกิเลสหรือว่าเป็นเหตุผลที่กิเลสปรุงแต่งฉั้นคนเราเนี่ยถึงมแม้เราจะเป็นสัตว์ที่มีสติมีปัญญานะมีเหตุมีผลแต่ก็ต้องระวังนะอย่าไปเชื่อเหตุเชื่อผลแต่พึ่ตะพือเพราะว่าเหตุผลที่ดีก็มีเหตุผลที่ไม่ดีหรือพาทําชั่วก็มี จะทำอะไรเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยจะใช้เหตุแต่เหตุผลอย่างเดียวไม่พอเหตุผลก็มีข้อจํากัดนะแม้แต่การจะพูดจะคุยกับใครเนี่ยหรือจะโน้มน้าวใครเนี่ยบางทีจะใช้เหตุผลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมีหมอคนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยหมอคนนี้ก็เป็นจิตแพทย์นะเขาเจอผู้ป่วยรายหนึ่งนะเป็นรุ่นพี่ เป็นวิศวกรนะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะในมาชเชอร์ไลท์ตอนหลังรุ่นพี่คนนี้แกก็เกิดมีอาการทางจิตก็คือแกได้ยินเสียงนะเป็นเสียงแว่แวๆเข้ามาในหัวหูแววนะแต่มไม่ใช่หูแววมันมันมีเสียงดังมาในหัวแล้วก็ข้อมีความรู้สึกว่า ไอเสียงเนี่ยหรือว่าต้นเสียงเนี่ยนะมันสามารถจะดาวความคิดเขาได้สามารถจะรู้ความคิดเขาได้อันนี้ก็เป็นอาการจิตเภทแบบหนึ่งนะได้ยินเสียงแววอยู่ในหัวแล้วก็รู้สึกมันก็ว่ามีใครสักคนเนี่ยที่อย่างรู้ความคิดของเขาจะคิดอะไรไปก็มันก็มีคนรู้หมดนะแต่คนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้เขาก็เลยเครียดมากจนกทั่งเลิกทำงานนะ ต้องมาเก็บตัวอยู่ในบ้านแต่ตอนหลังเนี่ยนะก็จิตแพทย์คนนี้ก็มาก็มาให้มาให้การรักษาให้ยายานี่ช่วยทำให้ไอ้หูเง่าเสียงแววมันหายไปแล้วอาการที่ที่ผิดปกติมันก็ทุเลาเบาบางให้ไปสามอาทิตย์เนี่ยก็เรียกว่าเสียงแววก็หายไป จากคนนี้เนี่ยหมอก็รู้ว่าเนี่ยอันนี้มันชั่วคราวมันต้องให้ต้องกินยาคนไข้ต้องกินยาอีกหกเดือนนะมันถึงจะหายขาดก็เป็นหน้าที่ของคนของหมอนี้ต้องต้องไปเจราจากดคนไข้นมหน้าคนไข้ว่ากินยาแล้วมันช่วยนะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็คนไข้ก็มาหาหมอคนนี้หมอก็บอกว่าเนี่ยพี่ ตั้งแต่พี่ได้กินยาเนี่ยนะพี่สังเกตไม่ว่าเสียงมันหายไปเสียงในหัวเนี่ยมันหายไปใช่ไหมแกก็ยอมแล้วว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, อ, ะอยากจะให้พี่เนี่ยนะกินยานี้อีกนะแกก็สงสยัยแกก็ไม่ยอมนะแกบอกไม่ยอมกินยาแกก็บอกว่าเนี่ย รู้ได้ไงว่ายาเนี่ยมันทำให้เสียงในหัวหายไปหมายเป็นความบังเอิญก็ได้นะหมอก็บอกว่ามันไม่บังเอิญหรอกนะพิสูจดูก็ได้นะว่าถ้าพี่ลองหยุดกินยาเนี่ยนะมันมีเสียงแว่วหรือเปล่าแล้วพอกินยาเนี่ยเสียงมันหายไปไหมถ้าหยุดกินยาแล้วเสียงมันมีในหัวแล้วพอกินยาเสียงมันหาย มันก็แปลว่ายาเนี่ยมันช่วยได้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมนะคนไข้ก็เถียงนะบอกว่าจะรู้ได้ก็เพราว่าเสียงหายไปเนี่ยเพราะว่ากินยาเขาอาจจะรู้ก็ได้นะว่าเรากําลังทดลองกินยาอยู่นะพอเรากินยาพอผมกินยาเนี่ยมันก็เลยหยุดส่งเสียงนะอันนี้เขาให้เหตุผลนะว่าเนี่ยไอ้ที่เสียงมันหายเนี่ยเพราะว่ามันมีคนที่รู้ ความคิดรู้ว่ากาลังทำอะไรอยู่มันรู้ว่าเรากำลังทดลองกินยามันก็เลยหยุดส่งเสียงนะมันไม่ใช่เพราะยาหรอกนะที่ทำให้เสียงหายไปนะแต่ว่าเขาไม่ส่งเสียงมาตั้งหากนะคนไข้ก็เถียงนะคนไข้เนี่ยนะจบวิศวะเนี่ยเามีความรู้เขามีเหตุมีผลนะหมอบอกว่า เ, เจอมุกนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้พี่กินยานะ นพี่ช่วยบอกผมทีว่าทำยังไงถึงใจะให้พี่กินยาเนี่ยนะเพราะผมพูดอะไรไปนะพี่ก็แย้งนะได้หมดคนไข้สุดท้ายก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาอย่างลกันนะีถ้าหมออยายให้ผมกินยาผมก็กินผมก็ทำตามหมอละกันเพราะว่าหมอเนี่ยนะดูแลผมดีนะหมอหวังดีกับผมผมก็เลยไม่อยากจะให้หมอเสียใจนะก็ยอมกินยาก็แล้วกัน นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยบางทีเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันมีข้อจํากัดนะเอาเหตุผลหมอเนี่ยเอาเหตุผลมาพูดกับคนไข้ยอย่างไงคนไข้ก็ไม่ยอมอย่างเดียวแถมเถียงด้วยแถมหักล้างแต่คนไข้ ย, ยอมกินยาเพราะอะไรไม่ใช่เพราะยอมจํานวนต่อเหตุผลของหมอนะแต่เพราะว่าทราบซึ้งในน้าใจของหมอ เห็นว่าหมอเนี่ยปรารถนาดีก็ไม่อยากจะให้หมอผิดหวังไม่อยากจะให้หมอเสียใจอันนี้เราคงเคยเจอนะประสบการณ์แบบเนี้ยเพื่เพืว่าเอาเหตุผลมาชี้แจงยังไงเขาก็ไม่ยอมนะแต่เขายอมก็เพราะว่าเรามีความปรารถนาดีกับเขาถ้าคนร้อนเนี่ยจะใช้แต่หัวยังไม่พอมันต้องใช้ใจด้วยถ้าใช้แต่หัวนี่มันก็ไม่รอดเหมือนกัน เดือดพราะเวลาเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งขึ้นมามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นช่วยงานมูลนิธิแห่งหนึ่งนะมูลนิธินี่ก็จัดงานาปฏิบัติธรรมเชิญคนมาหลายร้อยทีเดียวพอเสร็จงานเนี่ยก็มีการประชุมสรุปงานก็มีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งกรรมการแล้วก็มีทั้งจิตอาสามีทั้งผู้ประถามมานะมาสรุปงาน ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ช่วยหรืออุปถัมภ์มูลนิธิเนี่ยก็ลุกขึ้นแสดงความเห็นนะไม่พอใจอกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลายอย่างว่าเขาได้เสนอความเห็นอะไรไปเนี่ยมูลนิธิไม่ค่อยได้ทำตามเลยนะทั้งๆ ท, ที่มันน่าจะมีประโยชน์เพื่อนเนี่ยเขาเป็น จะเรียกว่าเป็นกรรมการมูลนิีิก็ได้เขาก็เลยลุกขึ้นอธิบายว่าเนี่ยไอ้ข้อเสนอของเขาเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขา อ, อธิบายด้วยเหตุด้ผลว่ามันทำไม่ได้ปรากิว่าเหตุผลไม่ได้ช่วยทำให้ผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยสงบลงเลยนะกลับคุณเคืองใจมากขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดโต้แยง้ง กรรมาการมูนิทเนี่ยก็จะลุกขึ้นอธิบายเป็นครั้งที่สองนแต่ก็มีรุ่นพี่นี่สะ ก, กิดนะแล้วเขาก็ลุกขึ้นพูดแทนแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกเราก็รู้สึกนะขอบคุณนะที่ท่านเนี่ยได้แสดงความเห็นหลายอย่างที่มีประโยชน์มากแล้วขณะ เ, เดียวกันก็เข้าใจความรู้สึกนะของท่านด้วยนะ ว่าท่านเสียใจว่าที่ข้อเสนอของท่านเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติ ท, ทั้งๆที่คิดกับมันมาใช้เวลาคิดกับมันมากอันนี้นะพวกเราก็ต้องขอโทษนะแล้วก็ก็รับปากว่าต่อไปเนี่ยนะจะจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นพอพูดแค่นี้นะผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ที่ฮึดทัดฮึดทันนี่ก็สงบลงเลย สิ่งที่ที่สงบลงนี่ไม่ใช่เพราะได้ฟังเหตุผลที่ดีนะเหตุผลมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะกรรมากมารกรรมการมูลนิธิก็พยายามชี้แจงเหตุผลนะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้ผู้ใหญ่คนนะั้นรู้สึกดีขึ้นแต่ที่รู้สึกดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจความรู้สึกนะเขาเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะก็เลยนะ ก็เลยสงบลงคนเราเนี่ยจะใช้แต่หวยยังเดี๋ยวไม่พอนะเวลามีความขัดแย้งขึ้นเนี่ยเราก็มัมกจะใช้เหตุใช้ผลเพื่อชี้แจงเพื่อหักล้า ง, งหรือเพื่ออธิบายก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไปคือการใช้ความรู้สึกหรือไปรับรู้ความรู้สึกใช้ใจรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายาว่าเขามีความทุกข์ยังไงเขามีความเสียใจยังไงนะเขามีความขุ่นเคืองใจอย่างไรบ้าง การรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนี้ก็สาคัญนะคนเราเนี่ยจะจะรู้แต่เพียงว่าเขาคิดอะไร <c oughs> เขาพูดอะไรเขามี <c oughs> เหตุผลอะไรไม่พอต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาการจะเข้าใจความรู้สึกของเขาเนี่ยมันต้องใช้หัวใจนะใช้หัวนี่ไม่ได้หัวนี่มันมันเพียงแต่ช่วยให้เข้าใจความคิดเข้าใจเหตุผลของเขาเหมือนกับว่าเราจะรับรู้ภาพเนี่ยเราก็ต้องใช้ตานะ แต่ถ้าจะรับรู้เสียงนะก็ต้องใช้หูนะจะใช้ตาเนี่ยรับรู้เสียงเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องใช้หูรับรู้เสียงความรู้สึกนี่ก็ต้องอาศัยใจนะส่วนเหตุผลนี่ก็ต้องอาศัยหัวสมองอาคนเดี๋ยวนี้เนี่ยใช้หัวสมองเยอะนะแล้วก็คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลแต่บางทีลืมใช้ใจรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่า ต่างไม่ยอมหรือไม่พยายามเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งพยายามใช้แต่เหตุผลมีหมอคนหนึ่งนะชื่อหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เป็นจิตแพทย์นะพูดไปน่าสนใจนะบอกว่าเวลาสามีทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะนะอย่าใช้เหตุผลเด็ดขาดนะให้ใช้อารมณ์ให้ใช้อารมณ์ให้วางเหตุผลลงแล้วก็ให้อารมณ์มันลอยขึ้นมาอารมณ์ความรักเนะี่ย นะที่เคยมีต่อกันในอดีตเนี่ยนะมันจะช่วยแก้ปัญหาได้นะที่หมอประเสริฐบอกว่าอย่าใช้เหตุผลให้ใช้อารมณ์เนี่ยมายถึงอารมณ์รักนะหมถึงความรักนะนะสามีภรรยาเวลาทะเลาะกันเนี่ยไม่คจะใช้เหตุผลแต่เหตุผลที่ใช้เนี่ยนะมันกลับทให้ความขัดแย้ง ล, ลุกลามขึ้นจนกลายเป็นการทะเลาะเบาแววงกันเพราะเหตุผลที่ใช้เนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อ โจมตีฝ่ายหนึ่งแล้วก็เพื่อปกป้องตัวเองนะพยายามเอามาใช้เพื่อชี้ว่าเธอผิดฉันถูกซึ่งมันมีแต่จะกระทบอัตตานะแต่ถ้าใช้เหตุใช้อารมณ์เนี่ยคือความรักเนี่ยความเห็นใจเนี่ยนะการที่จะไปไปทิมแทงพูดจาทิมแทงพูดจากระทบเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะความรักมันทำให้เราเห็นใจมันทำให้เรารับรู้ความทุกขของอีกฝ่ายหนึ่ง นะมันเป็นเมตตานะซึ่งถ้ามีใครมีแล้วเนี่ยนะอีกฝ่ายยังก็รู้สึกเย็นใจฉั้นคนร้อนเนี่ยจะใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องใช้อารมณ์ด้วยนะหรือว่าจะใช้แต่หัวสมองอย่างเดียวเขต้องใช้หัวใจด้วยเลยเพราะในเวลาที่สัมพันธ์กับผู้อื่นนะเราใช้เหตุผลในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆเราใช้ผลในการที่จะเข้าใจว่าเขาคิดอะไร แต่เหตุผลหรือหัวสมองเนี่ยมันไม่สามารถจะทําให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขาได้และคนเราทําไม่เข้าใจความรู้สึกของกันแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่รู้สึกไม่รู้ก็ไม่รู้นะว่าให้คาําพูดของเราเนี่จะไปทิมแทงเขามากน้อยแค่ไหนยิ่งใช้เหตุผลยิ่งทิมแทงมากขึ้นนะหลวงพ่อมเขียนนั่นก็พูดอยู่เสมอนะเวลามีความขัดแย้งกันในวัดเช่นระหว่างพระระหว่างแม่ชีเนี่ยตั้งใจพูดว่าเนี่ยอย่าไป เอาผิดเอาถูกกันนะอย่าไปเอาผิดเอาถูกกันนะให้ใช้ความรักความเห็นใจกันนะการเอาผิดเอาถูกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้เหตุใช้ผลนะใช้เหตุใช้ผลเพื่อเพื่อชี้ว่าเนี่ยเธอผิดฉันถูกนะก็เอาเหตุผลมาใช้ในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ยกตัวเองให้สูงขึ้นหรือปกป้องตัวเองซึ่งมันก็ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยนะ ลุกลามมากขึ้นความไม่พอใจก็จริ่งเข้มคนมากขึ้นทนสมัยนี้เราพูดกันว่าให้ใช้เหตุผลใช้เหตุผลนะแต่ว่าบางทีมันก็ไอเหตุผลที่เอามาพูดกันเนี่ยบางครั้งก็เป็นเหตุผลของกิเลสนะเป็นเหตุผลของอัตตาและบางครั้งเนี่ยมันก็มันมันก็มีข้อจํากัดนะในการแ ก, ก้แก้ปัญหา ถ้าเราใช้หัวใจบ้างใช้อารมณ์บ้างแต่เป็นอารมณ์ฝ่ายฝ่ายดีนะอารมณ์เชิงความรักความเมตตาความเห็นใจนะมันก็จะช่วยได้อย่างหมอคนที่ว่าจิตแพทย์เนี่ยนะสามารถจะโน้มน้าวให้คนไข้เนี่ยกินยาได้เนะี่ยไม่ใช่เพราะเหตุผลเลยเหตุผลของหมอสู้ไม่ได้นะแต่ว่าความเมตตาของหมอความใจใจของหมอตั้งหาที่ทําให้คนไข้ ย, ยอมแพ้แล้วก็ยอมกินยานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเวลาเราพูดถึงการฝึกตนเนี่ยน ะ, ะจะเป็นการฝึกตัวเองก็ดีเป็นการฝึกลูกหลานก็ดนะีก็อย่าฝึกแต่เรื่องของหัวสมองฝึกแต่เรื่องของการใช้ความคิดการใช้เหตุใช้ผลนะการวิเคราะห์อันนี้ดีอยู่มีประโยชน์นะแต่ว่าเราต้องฝึกเรื่องของการพัฒนาอารมณ์พัฒนาจิตใจด้วย นอกจากมีเมตตากรุณามีความใส่ใจแล้วเราก็ต้องมีความไวนะความไวต่อความรู้สึกของคนอื่นซึ่งที่จริงธรรมชาติคนเรามีอยู่แล้วนะธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราเราเราไม่พัฒนาแถมบดบังให้ความรู้สึกหรือความสามารถส่วนนี้ด้วย อย่างเช่นเวลาเราเห็นหน้าคนเนี่ยนะจะเป็นภาพถ่ายก็ดีนะหรือว่าจะเป็นภาพสไลด์ก็ดีเวลาเราเห็นหน้าคนเศร้าเนี่ยเราก็รับรู้ได้เลยว่าเขากำลังเศร้าเวลาเราเห็นหน้าเขายิ้มแยม้มเราก็รู้เลยว่าเขากำลังมีความสุขเด็กก็ทำได้นะเด็กก็สามารถจะรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนในภาพได้ แต่พอโตขึ้นโตขึ้นนะยิ่งเรียนสูงเรียนสูงนะเรียนใช้ใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นนะจะรับรู้ความรู้สึกของคนในภาพได้น้อยลงเห็นภาพแล้วนึกไม่ออกว่าตอนนี้คนไข้คนในภาพเขารู้สึกอย่างไงเขากำลังดีใจเขากําลังหดตัวเขากําลังกลัวเขากําลังวิตกไอความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของคนเนี่ยมันน้อยลงไปเพราะว่าเรียนสูงนะเพราะเรียนได้ใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผล แต่ถ้ า, าเราไ ม, ไม่ถนัดหรือไม่เอาแต่ใช้เหตุใช้ผลหรือใช้ความที่อย่างเดียวใช้ใจม้างใช้ใจรับรู้เราก็สามารถจะรับรู้ความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่าว่าแต่คนในภาพเลยนะคนที่อยู่ข้างหน้าเราเราก็รับรู้ได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเลยนะรับรู้ความรู้สึกของตัวเองก็ไม่ค่อยรู้กันละ เดี๋ยวนี้เวลาถามว่าเนี่ยตอนนี้คนรู้สึกอย่างไรนะเดี๋ยวนี้หลายคนตอบไม่ได้นะเพื่อตาเนี่ยนะเป็นอาจารย์เวลาจะก่อนที่จะเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยนะก็จะให้มีการเรียกว่าเช็คอินนะเช็คอินก็คือให้แต่ละคนเนี่ยบอกว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบอกว่านักศึกษานี่ตอบไม่ได้ ไปต่อเป็นความคิดหมดบอกว่าโอ้ยรถติดนะรถติดเยอะรถติดเหลือเกินนะกว่าจะมาถึงนี่นะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอันนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกแล้วนี้มันบนนะและสิ่งที่พูดมันเป็นความคิดมากกว่าที่จริงเขาถ้าเขารู้จักหรือรับรู้ความรู้สึกองตัวเองเขาก็จะบอกได้ว่าโอตอนนี้กําลังหงุดหงิดนะตอนนี้กําลังเบือ่อตอนนี้กํลาลังดีใจตอนนี้กําลงังโปรง่งโล่ง แต่ว่านักศึกษาเนี่ยตอบไม่ได้ใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าจะตอบหรือบอกความรู้สึกของตัวเองได้ถ้าผู้ใหญ่ที่เรียนสูงๆเนี่ยนะใช้ความคิดเยอะๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะบอกความรู้สึกของตัวเองได้ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะอันนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้ใจมาดูมารับรู้ความรู้สึกของตัวเองเท่าไหร่เขาใช้ความคิดมากไปในการเจริญสตินี่นะ มันเป็นการฝึกให้เราเนี่ยได้ใช้ใจบ้างวางความคิดลงนะต่ก่อนมันคิดเยอะเหลือเกินนะแต่หลายคนเนี่ยแม้กระทั่งเจริญสตินี่ก็หนีความคิดไม่พ้นมันไม่ใช่แค่ความคิดฟุ้งซ่านนะเท่านั้นนะแต่ว่าบางทีก็มาถามตัวเองว่าเนี่ยนี่เรากำลังคิดอยู่หรือเปล่านั่นเนี่ยนี่เรากำลังคิดอยู่หรือเปล่านันเนี่ย ไอ้นี่มันเป็นความคิดแท้ๆเลยนะเป็นความคิดซ้อนความคิดนะเวลาจะบอกให้รู้สึกตัวนะก็ใช้ความคิดนะเวลาบอกว่าเนี่ยให้ทำความรู้สึกตัวนะเวลามือเคลื่อนไหวเวลาเดินจงกรมให้รู้สึกรู้สึกมันกลายเป็นของยากไปแล้ว mm hmm. เพราะว่าใช้ความคิดกันทั้งนั้นแหละนะไปใช้ความคิดเพื่อจะจับความรู้สึกมันจับไม่ไดม้มันต้องใช้ใจนะ จิตตอนนั้นมันต้องมางจากความคิดนหะมืองจะรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกว่าเออมือเคลื่อนไหวนะไอ้คนที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะหลายคนนี่จะสับสนมากว่ารู้สึกตัวมันคืออะไรรู้สึกตัวคืออะไรหรือแม้แต่จะรับรู้อารมณ์ว่าตอนนี้อารมณ์เป็นอย่างไรก็ตอบไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะมันใช้ความรู้สึกมันใช้ใจนะโดยการวางความคิดโดยการวางเหตุวางผลลงไป นะไอ้ที่เคยใช้เหตุใช้ผลนะลองวางมันลงไปดูบ้างแล้วนะใช้ใจแล้วสติความรู้สึกตัวมันก็จะค่อยๆเจริญงอกงามมากขึ้นซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่รับรู้ความรู้สึกของเราได้ไวนะแต่ยังสามารถจะรู้ทันหรือรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นที่อยู่ต่อหน้าได้ได้ง่ายขึ้นด้วยเย็นนี้ก็เพืเ่อนธานีนะกลับฮะ